นายงูยักษ์มันใหญ่เท่ากับไอ้สองตัวที่เข้าไปอารวาสในล่มช้างเลยทัแหละพริบตานั่นเองเหมือนกับว่าป่ารอบด้านจะเลเหลืองไปหมดทุกคนมีการเคลื่อนไหวกันอย่างชุลมุนแต่ก็เป็นในความหมายของการพรักพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ที่ไหนวางมือหมดเพนเ้าหาไรฟ่อนประจำตัววิ่งฮือกันเข้ามารวมกลุ่ม ด่ารินทิ้งจุดเวธบีแมกนัมช่วยจุดสี่อันเป็นปืนประจำของแองสไลขึ้นมาอย่างลืมตัวเจ้าคนใช้ชาวดงน้ำบัตหนี้ก็ไม่ได้สนใจกับอะไรอีกทั้งสิน้นวิ่งเข้าไปที่กองสัมภาระกระชากคันธนูออกมาขึ้นสายพร้อมกับลูกธนูที่ไประเบิดไนโตรเตรียมไว้ก่อนแล้วในยา่ามยกเว้นมาเรียคนเดียวที่ยืนงงไม่มีปฏิกิริยาอะไรนักเพราะหล่อนไม่เคยทราบ ถึงขนาดความใหญ่โตหรือฤทธิเดชของเจ้าอสูรยุคโลกล้านปีมาก่อนมีแต่ความตกใจระคัประหลาดใจในท่าทีของพรรคพวกทุกคนเท่านั้นระพินยังคงยืนนิ่งยึดแขนขยินไว้มัน่นเช่นนั้นจ้องดูสีหน้าของอดีตนักเลงโตลมช้างซึ่งเคยหวุดหวิดจะพลัดหลุดเข้าไปในปากงูยักษ์มาแลมในอดีตบัตนีเห็นแต่ตาขาวกรอกกลิ้งปะหลับประเหลือด้วยความขวนนัญหนีดีฟอ ตัวสันเทาเป็นลูกนกตาเจ้าฝาดไปหรือเปล่าขยินเขาเขย่าแขนถามเร็วปรือ้อขยินตาไม่ฝาดถามให้สั่งปาดูสินายนายบ้านหลุมช้างละล่ำละลักเจ้าเห็นมาที่ไหนเช่ดถาร้องถามมาแทบจะไม่หายใจโ น, น่นนายก้นหูบโ น, น่นไม่ห่างออกไปนักขยินก็ะส่างปานะ่ะตามรอยกวางเข้าไปปา่าทึบมากละ่ะสองคนนะ่ะคลานลอดซุ้มเถาวัน ในตามรอยกวางที่ล่วงหน้าไปก่อนสักอึดใจพอพ้นเชิงก็พบปากถ้ำใหญ่มนโนนขวางอยู่ปากถ้ำไม่เห็นหัวเห็นแต่ตรงกลางตอนที่โผล่ไปนะ่ะพบห่างกันไม่กี่วาเท่านั้นขยินเห็นก่อนกำลังจะถอยออกมาเงียบๆไอ้ซางตาก็ล่อเป้งเขาให้ห้ามมันไม่ทันเพรอปืนลั่นก็แล่นกันตาราบนี่แหละขยินรายงานเร็วปรือกระสับกระสายเต็มที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 วังว่าคงไม่ใช่เพราะกระสุนไรเฟิลจุดสามเจ็ดห้าของสางปาเพียงนัดเดียวทําให้มันตายคาที่ไปโดยไม่กระดิกกระเดียนะเสียงแหบแหบของชัยยันดังมาเบาที่สุดเป็นไปได้ไหมที่ทั้งสองคนนี่เจอภาพลวงตาคข่าแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะเห็นอย่างเดียวกันถึงสองคนดารินพูดเสียงสัน่นรู้สึกมืออ่อนตีนอ่อนไปหมดแน่ละ่ะ กิเหตุการณ์สมัยที่เผชิญเจ้าอาศูนย์ดึกดําบันหน้าหวาดเสียวยังติดตามเตือนใจหล่อนอยู่ในขณะนี้โดยไม่มีวันลืมซะได้พรานใหญ่หันไปสอบถามส่างปาซึ่งเพิ่งจะรวบรวมสติได้อีกครั้ง <c oughs> ก็ได้รับการยืนยันเช่นเดียวกับคำบอกเล่าของขยินส่างปายิงมันโดยไม่รู้ตัวเลยนายมือมันเหนียวไกลออกไปเองอะตัวอะไรก็ไม่รู้สินายโอ้ยเกรดตร ะ, ะเกรดใหญ่เท่ากับกระด้งฝัดข้าว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 ในขณะเดียวกันกับที่ชัยยันก็โยนจุดหกศูนย์ศูนย์ไนโตรเอ็กซ์เพรสของเขาให้พรานใหญ่แล้วทั้งห้าคนก็ยองยังเงียบกริบตัดปารกไปทางก้นหุบโดยมีขยินและสางปลานาหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นพยายามแยกกันยึดที่กำบังไม้ใหญ่ๆเอาไว้นะครับรบพินกระซิบนัดแน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 ระพินต้องใช้ฝ่ามือตบหลังกระตุ้นเตือนไปตลอดทางครูใหญ่ก็ไตจอมปลวกแล้วคลานมุดลอดกันไปตามซุ้มเถาอันปกคลุมเตี้ยเตียอยู่เหนือสีสษะมองไม่ผิดไม่เห็นอะไรเบื้องบนราวกะหลังคาเช็ฐาติดหลังเข้ามากระชันชิกปิดพ้ายขบวนด้วยบุญคำต่อมาก็ทะลุออกมาบรรจบกระทางด่านขนาดย่อมเห็นรอยกวางใหม่ๆเดินไปตามทางด่านนั้น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 ทั้งสองจึงออกดันเดนินคลานนําต่อเดี่ยวหน้าเดี่ยวหลังและคอยเงี้ยหูสดับอยู่ตลอดเวลาคืบไปอย่างช้าๆครึ่งคลาดครึ่งกราดในที่สุดก็มาหมอบนิ่งอยู่ยังปากทางระหว่างก้อนหินใหญ่สองลูกที่จับเขียวไปด้วยตะไคร่น้ำขนทางเบื้องหน้าก็โปรงโล่งเป็นเวิงเข้าไปสู่หน้าผาตอนหนึ่งขยินผู้ซึ่งนอนราบพังภาพติดพื้นดิน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 ระยะที่เห็นห่างออกไปเบื้องหน้าเพียงไม่เกินสามสิบเมตรนั้นเรียกว่าเป็นการโผล่มาพบเห็นอย่างกระชั้นชิดที่สุดเมื่อคำนวณกับความมหึืมาของมันขยินกระสางปาไม่ได้ฝันรายหรือตาฝาดไปเลยเจ้าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้โดยเด็ดขาดนอกจากอสูรดึกดำบรรงูมหายักษ์ขนาดเดียวกันกันกบที่คณะทั้งหมดได้เผชิญกันมาแล้วที่หล่มช้างอุจใจเต็มเต็ม ที่ทุกคนถูกสะกดอยู่นั้นภาพของรถไฟทั้งขบวนคงทอดสนิทนิ่งอยู่เป็นดุดนิีราวกับว่าจะหลับในระยะยาวนานแบบจำศีลใครคนหนึ่งบีบมาที่หัวไหล่ของเขาหนักน่วงจากเบื้องหลังและใครคนนั้นก็คือเชฐิฐถาผู้ลืมตาโพลง่งจ้องไปยังภาพเบื้องหน้าตาแทบถลนมันละไอ้ยัจอเขาอีกแล้ว หัวหน้าคณะครางออกมาอย่างเบาที่สุดเสียงแทบไม่ผ่านริมฝีปากเหงื้อแตกพลักระบบประสาททุกส่วนเหมือนกับว่าถูกยึดให้ง้อยไปหมดขยินนั้นถึงกระก้มหน้าลงแนบดินไม่มองไปยังภาพนั้นด้วยความหวาดกลัวเสียขวัญสางปลากระบุนคําก็สั่นเทิรเหมือนปลุกพระระพินหลับตาลงสะบัดหน้าเหมือนไม่อยากเชื่อสายตาแล้วลืมขึ้นจ้องอีกครั้ง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 สังเกตดูที่พื้นใก ล, กล้ๆกระลำตัวของมันสิครับคุณชายเห็นอะไรบ้างเขากระซิบบอกเชิฐถารู้สึกคล้ายๆจะเป็นเกล็ดแห้งๆของมันนะร่วงอยู่หลายชิ้นทีเดียวครับใช่เกล็ดร่วงของมันสิ่งที่น่าสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือสัางตาซัดมันด้วยไรเฟิลจุดส7 5เจห้าถึงจะทำอะไรมันไม่ได้เลยมันก็ต้องสะดุง้ง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 สีหน้าอันเคร่งเครียดของเขาเปลี่ยนมาเป็นยิ้มแย้มในที่สุดก็หัวเราะออกมาดังลัดโบกมือเรียกมาเข้ามาเถอะครับเข้ามาดูสิ่งมหัศจรรย์อะไรนี่เชิฐาเอกใจขึ้นมาในบัตรนั้นแม้จะยังไม่กระจ่างชัดอะไรนักก็ตามเขาผุดลุกขึ้นถือปืนเตรียมพร้อมเคลื่อนลงเข้าไปในขณะที่บุญคำขยินและส่างปายังจดจดจองจ้อง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 และผุโวขาดวินมองเข้าไปพรวงกลวงเป็นมองเข้าไปโพรงกลวงราวกับรอยทะลุของอุโมกขยินส่างปาและบุญคำอุทานลั่นออกมาเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ส่วนเชษดทาเป่าลมออกจากปากหลับตาลงพึงพรรมพำขอบคุณสวรรค์เฮหยัประคุณเน้อโลงอกไปที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 เพราะหล่อนถนัดที่จะกินอาหารประเภทเนื้อมากกว่าแป้งอยู่แล้วพัญญาไม้ของนักสำรวจเยอรมันผู้บัดนี้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของคณะเดินทางมหาภัยนั่งแทะเนื้อข้างยางทั้งขาอยู่บนขอนไม้ริมกองไฟด้วยกิริยาอันซึมสงบในตาสีเขียวทอดมือเลื่อนลอยออกไปอย่างความมืดทึบดุจคลุมไว้ด้วยม่านดำสนิทของราวไพรใบหน้าอันคมเข้มงามอย่างผาดผานนั้น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 พรานใหญ่กำหนดให้ทุกคนในคณะทั้ง12คนนอนกันเป็นสองแถวแถวละหกคนโดยทั้งสองแถวหันศีรษะเข้าชนกันหันปลายเท้าออกป่าแถวของนายจ้างนั้นเริ่มด้วยเงซ า, ายขนาบอยู่ด้านนอกสุดทางด้านซ้ายซึ่งเป็นชายเนินดงทึบด้านใต้ถัดมาก็ชา ย, ยันมาเรียดารินและเชษฐาตามลาดับปิดท้ายด้านขวาด้วยตาพรานเท่ากระดูกเหล็กบุญคา ส่วนแถวพวกลูกหาบมีระพิงอยู่ทางด้านซึ่งมีศีรษะหันชนบุญคำต่อมาก็จันเสยเกิดส่างปลาและขยินผู้เป็นคนขนาบปลายแถวอีกด้านหนึ่งกล้องไฟขนาดย่อมก่อไว้เพียงสามด้านไรเฟิลและไฟฉายประจําตัวต่ละคนวางแนบอยู่ทางด้านขวาหันลํากล้องไปทางด้านปลายเท้า ใค ย, ยันยังไม่เข้าประจําที่ของเขาแต่นั่งอยู่ริมกองไฟงัดสมุดบันทึกหรืออีกนายหนึ่งปูมเดินทางขึ้นมาบันทึกข้อความซึ่งเป็นกิจวัตรที่ไม่เคยลืมเลยสักวันเดียวมาเรียก็เดินเข้ามาย่อนกายคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเขาในมือของหล่อนมีทิ้งเจอไอโอดีนและสำมฤให้ฉันดูแผลที่ศีษะคุณอีกครั้งเถอะหล่อนบอกเบาๆนายพันตรีหนุ่มยิ้มให้หล่อนขยับจะปฏิเสธ แต่แล้วก็ก้มหัวให้โดยดีเมื่อตาเขียวงามนั้นมองมาอย่างขอร้องแม่สาวเอาไฟฉายส่องดูบาดแผลของเขาที่ดารินใช้กรรไกรตัดผมไว้เป็นวงกลมเพื่อสะดวกในการใส่ ย, ยาและถอนใจเบาๆบรรจงเอาทิงเจอแตะสำลีแต้มให้อย่างแผ่วเบาปากก็พึพมพำตำหนิตนเองที่เป็นต้นเหตุทำให้เขาต้องเจ็บตัวในระยะที่หลอนทาแผลให้อย่างใกล้ชิด ดยใบหน้าของเขาก้มลงไปหานั้นแสงจากกองไฟและไฟฉายที่หลอนสองสีสะเขาอยู่สะท้อนไปที่สวงอกอันอวบรางงานและเขาก็เหลือตาขึ้นอย่างบางเอิญแทบจะสะดุ้งขือบกลืนน้ำลายลงคอขดฝึกหลอนสวมแจ็กเก็ตหนังกันหนาวในเวลานอนกลางคืนก็จริงแต่ขณะนี้ไม่ได้รูดซิบไว้จึงทำให้แลเห็นเสื้อเดินป่าชุดกลางวันของหลอนที่สวมติดตัวตั้งแต่เมื่อตอนกลางวัน เป็นรอยขาดราวกับปากฉลามเพราะน้ำภผ่เกี่ยวก่อนเนื้อเต่งตึงสีชมพูด้านหนึ่งซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้เสื้อนั้นปรากฏเด่นชัดห่างจากจมูกของเขาเพียงแค่ฝ่ามือเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหล่อนชะงโงกตัวสารวนอยู่กับการทำแผลให้เช่นนี้เมอืมเราเป็นเพื่อนร่วมตายกันใช่ไหมมีอะไรที่คุณสงสัยเหรอชยัน คุณคงไม่คิดว่าผมหยาบคายนะถ้าจะเตือนอะไรสักอย่างฉันไม่เคยเห็นว่าคุณเป็นคนหยาบคายเลยนะไม่เคยแม้แต่จะคิดคุณเป็นสุภาพบุรุษเกินไปซะด้วยซ้ำสิสาบจากกายของมาเรียฮอฟมันฉุนกึกเข้ามากระทบคาณนปราสาทตรับกึ่งหอมกึ่งขื่นเขียวยังไงบอกไม่ถูกแต่มันก็ทำให้อากาศที่กำลังหนาวสะท้านจับใจอยู่ กลายเป็นความอบอ้าวรุ่มร้อนขึ้นมาได้สำหรับชัยยันเขาถอนใจอีกเฮือกหนึ่งเมเสื้อคุณขาดมากซะด้วยจริงรันดูเหมือนจะเข้าใจความหมายในคำพูดของเขาพังะตัวห่างออกมายิ้มเจียนเจือนรูดซิปเสื้อแจ็คเก็ตขึ้นปิดฉันยังไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนมันและมีเสื้อผ้าติดตัวมาไม่มากนะ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 ถ้าคุณมีบาเซียนะน้ำที่มันเกี่ยวอกเสื้อคุณขาดวันนี้จะไม่เกี่ยวเข้าถึงเนื้อคุณจนเป็นแผลนะก็จะทำยังไงได้แล้วก็มันไม่มีนี่น้อยมีมาหลายตัวนะผมคิดว่าเขาคงจะยินดีแบ่งให้ได้ล่ะนักนิรุติศาสตร์จาวเลือดฝรั่งเศสผสมเยอรมันยักไหลอีกครั้งนะึงไม่มีประโยชน์รอกขนาดของน้อยนะ่ะเล็กกว่าของฉันตั้งสองนิ้วครึ่ง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 ชายันอ้าปากค้างกระซิบถามมาว่านี่กังเกงเขาขาดด้วยเหรออืมตั้งเกือบสามนิ้วกระมังตรงบริเวณเป้าพอดีเชียของอีตอนกลิ้งลงมาจากเนินนั่นแหละไอ้โง่นี่แปลว่าเจ้าตัวไม่รู้สึกละสิรู้ตัวหรือไม่รู้มันก็ไม่มีความหมายหรอกสําหรับแม่คนนั้นน่ะก็ถือว่าร่างกายไม่ใช่ของตนเองแต่เป็นของธรรมชาติชายันกระเดือกน้าลายลงคออันแสนฝืดอีกครั้ง น้าเย้เกเธอนี่ตาไวช่างสังเกต ด, ดีเหลือเกินนี่คนอื่นๆคงยังไม่ทันเห็นน่ะแต่เห็นก็คงเตือนแล้วฉันก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนอื่นๆจะเห็นหรือเปล่าสําหรับเธอกับพี่ใหญ่นะ่าไม่เห็นแน่แล่ะแต่ถ้าคนอื่นๆเห็นเรื่องอะไรที่พวกนั้นจะต้องบอกอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะพวกพลานพื้นเมืองอ่ะก็แล้วทําไมเธอไม่เตือนเขาเล่าก็อ า, าจจะเตือนอยู่เหมือนกันแต่ก็ลืมซะ บางทีจะเป็นเพราะเหนื่อยเกินไปมะก็มานึกขึ้นได้ก็อีตอนเธอมาขอเข็มเย็บผ้านี่แหละใชัยันขยับตัวจะผลัไปแต่แล้วก็ชะ ง, งักนิดนึงเพราะดารินร้องเรียกไว้เดี๋ยวทำไมอะ่ะช่วยเขาเย็บเสื้อกัะลางเกงที่ขาดให้อย่างเดียวเท่านั้นนะไม่ต้องไปดูแผลที่หน้าอกเขาด้วยผีของตาฮอฟมันน่ะคงไม่ชอบโน้อย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 พรานใหญ่สือเท้าเคลื่อนเข้าไปแต่เคยมานอนพักอยู่บนไหลเขาลูกนี้มาก่อนหรือเปล่าแง่ทา ย, ายเคยแต่คนละด้านมีแหล่งน้ำอยู่ที่ไหนบ้างรู้ไหมในก้นหุบทางด้านตะวันออกมีแหล่งน้ำซับอยู่ทั่วไปแต่อย่าว่าแต่คนเลยสั์ก็ยังกินไม่ได้ใบไม้มันเป็นพิษแต่เหนือจากที่นี่ขึ้นไปอีก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 สัตว์ล่ะพอจะมีชุมบ้างไหมไม่มีน้ำจะกินได้สัตว์มันก็หายากแต่ที่โป่งน่นแเงยสายชี้มือไปทางโป่งไม่ห่างออกไปนักผู้กองคงเห็นแล้วสิว่ามีรอยช้างกระกวางพอจะลงกินบ้างมันเป็นโป่งเก่าดินจืดจะละแต่ยังเช้ามารืนนี้เราก็ลงจากเขาลูกนี้แล้วไม่ใช่เหรอพรานใหญ่ไม่กล่าวเช่นไรอีก เดินอ้อมมายังที่นอนด้านของเขาแล้วทอดกายลงนอนหงายเอาแขนกายหน้าผากครุ่นคิดอะไรอยู่คนเดียวจนกระทั่งความง่วงคืบคลานเข้ามาสู่จึงม้อยหลับไปท่ามกลางความเงียบของไพรลึก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 เมื่อเห็นบุญคำเขาค่อยยันกายลุกขึ้นนั่งโดยท่าทีเหมือนหมาล่าเนื้ออึดใจต่อมานั่นเองก็แววเสียงใบไม้ลั่นกรอบแกรบผ่านเบามันดังมาจากบริเวณโป่งทางด้านที่ปลายเท้าของเขาชี้ไปเสียงนั้นหยุดๆยดดังๆใกล้เข้ามาเป็นลำดับต่อมาก็เป็นเสียงคล้ายๆตะกุยขุดพลิกดินบุญคำค่อยๆหยิบไฟฉายประจาตัว มันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เชิดาดึงกายขึ้นอย่างเบากริบไรเพิ่มจุด4 5หประจำตัวขึ้นมาอยู่ในมือแต่แล้วใครอีกคนหนึ่งที่นอนอยู่ทางด้านศีรษะของเขาก็เอื้อมมือมาสกิดเบาๆอันขวับมาเห็นพรานใหญ่อยู่ในลักษณะครึ่งนั่งครึ่งนอนจึงเพิ่งทราบว่าไม่เพียงแต่เขากระบุนคำเท่านั้นที่ตื่นขึ้นยามนี้รพินก็รู้สึกตัวได้ยินเสียงก่อนแล้วเช่นกัน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 เอาละบุญคำใช้ไฟหัวหน้าคณะกระสิบบอกเบาที่สุดตาพรานเท่าชุกระบอกไฟฉายขึ้นเหนือสีสะทำมุม45องศาแล้วกดสวิตช์เป็นลำพวยพุ่งขึ้นเบื้องบนอึจใจต่อมานั่นเองฟาดลำแสงต่ำลงอย่างชำนาญตาเหลือบเขียวเหลือบฟ้าคู่หนึ่งก็สะท้อนวาวฟ้องตำแหน่งมาในบัตรนั้น มันลอยอยู่ในระหว่างซุ้มไม้รกห่างออกไปเพียงไม่เกินห้าสิบเมตรและในพริบตาเดียวกันนั่นเองกระสุนลูกปรายก็ระเบิดกึกก้องขึ้นท่ามกลางความเงียบสงบติดตามมาด้วยเสียงล้มลงดิ้นโครมครามพุ่งไม้ไหวสะเทือนไปหมดทุกคนที่กำลังนอนหลับพลวดพราตื่นขึ้นอย่างชุลมุนฟ้าปืนกับไฟฉายประจาตัวด้วยความตกใจเป้าหมายลูกปืนของเชษฐาถนนทลันลุกขึ้นยืนอีกครั้ง ภายหลังลงไปชักดิ้นชักงอตีแปลงอยู่มีเสียงร้องปุ๊บแบแบๆแล้วมันก็วิ่งตะกายฝ่าพงลงไปยังตีนเนินอันเป็นป่ารกเบื้องล่างต่อมาก็มีเสียงโอก๊กโอกดังมาได้ยินถนาัดสำลักเลือดแล้วนายอยู่แน่บุญคำตะโกน ล, ลั่นออกมาอย่างดีใจลุกขึ้นแล่นทะหลันตรงเข้าไปยังตำแหน่งที่มันลม้มลงครั้งแรกพวกติตกใจตื่นขึ้น ยังไม่รู้เรื่องอะไรส่งเสียงถามแซดเพราะร่วกวางย่องเขามากินโป่งและเชษฐาเป็นคนยิงก็หมดความสนใจพากันถอนใจอย่างโล่งอกเอ็นกายลงนอนตามเดิมคงมีแต่ระพินเชษฐาและจัน์เท่านั้นที่ออกจากที่นอนตามหลังบุญคำเข้าไป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 รพินสั่นสีสักพลังบุยปากไปที่เลือดกองโตที่เป็นฟองสีชมพูหยดอยู่กลางดินและใบไม้ถูกจังที่สุดแล้วครับคงแถบรักแร้แดงทะลุปอดด้วยแบบนี้ไม่ไกลหรอกครับชั่วแล่นตอนที่มันตกใจเท่านั้นเดี๋ยวก็ล้มครับคุณส่งลูกซองมาให้ผมก็ซัดเลยเนะไม่รู้หรอกว่าใส่ลูกอะไรไว้จันผู้ใช้ปืนกระบอกนั้นประจาตัวก็บอกมาโดยเร็วว่า ผมใส่ลูกเก้าเม็ดไว้ในยิงกวางได้สบายเลยลูกแบบไหนล่ะสีแสดหรือสีเขียวเชทดาหันไปถามเจ้าของปืนสีเขียวครับโอโอบักดิระพินพืมพำมสาดไฟฉายลงไปยังเนินเบื้องล่างที่รอยเลือดของมันหยุดเป็นทางเห็นชัดสบายมากครับลูกเรมิงตันความจริงมันควรจะอยู่กับที่แล้วล่ะแต่มันค่อนข้างจะใหญ่มากทีเดียวระยะเพียงแค่นี้ สงสัยว่าจะรวมกลุ่มเข้าหมดทั้งเก้าเม็ดนั่นแหละ FN กระบอกนี้ฟูลโชกด้วยสิตามทนายซื้อมันคลางอกอกอยู่เมื่อตะกี้เนี่ยป่านนี้บุญคำว่าล้มแล้วละ่ะรับรองว่าวิ่งไปได้ไม่เกินสามเส้นหรอกว่าแล้วตามพรานเท่ากระจันก็ขยับท่าจะตามรอยเลือดไปอย่างกระตือรือรน้นแต่อดีตท่านทูตทหารบกเหนียวไหลทั้งสองวัยามืก่อนเถอะอย่าเพิ่งตามกันเดี๋ยวนี้เลย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 บุญคำยิ้มแย่ๆไม่กล่าวว่าอะไรเชิถาชวนทุกคนกลับมายังที่พักเพื่อเข้านอนต่อฟาวเหรอครับพี่ใหญ่ดารินถามเบาๆทั้งๆ ท, ท, ที่ตายยังปิดอยู่สงสัยเหมือนกันแต่รพินกับบุญคำแน่ใจว่าคนจะอยู่พรุ่งนี้ค่อยไปดูใครมันคนยิง่ะชยันร้องถามมาจากที่นอนของตนขณะปิดปากหาวฉันเองบุญคำส่องไฟ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 แต่ถ้าไม่ตายเอามาซะคืนนี้เราจะไม่ได้ตัวมันบางสิ่งบางอย่างในคำพูดของเจ้าคนดงพเนจรสกิดใจระพินยังไงพิกดแต่คนอื่นๆไม่สนใจอะไรด้วยนะักเพียงแต่เชษฐาถามมาจากที่นอนของเขาน้ำเสียงเรียบเรียบว่าแกหมายความว่ายังไงแงใส่แกกลัวว่าสือจะมาลากไปซะอย่างนั้นเหรอเงียบไปครู่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 ผมเคยผ่านเขาลูกนี้เป็นเวลาสองคืนเงาซายพูดน้ำเสียงลึกดังมาจากมุมทะแยงที่นอนอยู่คนละด้านกับเขาใต้ค่ำของคืนแรกยิงหมูใหญ่ได้ในลำห้วยเอาขึ้นมาคนเดียวไม่ไหวจึงแล่เนื้อขึ้นมาพอเป็นอาหารชั่วมือตั้งใจว่ารุ่งเช้าจะลงไปเอาอีกตื่นขึ้นมาซากหมูตัวนั้นหายไปซะละเหลือแต่กระดูก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 มันเป็นเพราะอะไรฝูงหมาป่าหมานายหรือว่าสัตว์ประเภทกินเนื้ออะไรมารุมกินน่ะไม่ใช่หมาป่าหมานายแล้วก็ไม่ใช่ฝูงเสือแต่มันจะเป็นอะไรนี่ผมไม่รู้เพราะไม่เห็นตัวจะพูดของแกภาษาอะไรวะแง่สรายอะไรก็ตามที่มันมากินหมูกับกระทิงของแกอย่างที่แกว่านั่นมันก็ต้องทิ้งร่องรอยไว้สังเกตเห็นได้สิ ระพินพูดมาห้วนหวนถูกล้ผู้กองมันทิ้งร่องรอยไว้ร่องรอยที่ฉีกเนื้อกระจับกระจายออกไปเรี่ยราดร่องรอยที่ดูดกินแม้กระทั่งเลือดแทบไม่เหลือให้เห็นไงร่องรอยของการรุมกินเป็นฝูงอย่างอดโซ่ขิวกระหายไงแล้วรอยตีนของมันละ่ะไม่มีรอยตีนให้เห็นแล้วผู้กองบางทีจะเป็นพระตรงที่สัตว์สองตัวล้มนะ่ะเป็นพื้นหินแข็งเกินไป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 หรือแต่ฐานแดงเรืองๆมองเห็นรอบด้านในระยะใกล้ได้เพียงเงาตะคุม่มทุกคนเห็นจอมพรานนั่งกอดเขา่าเงี่ยหูฟังอยู่เช่นเดิมโดยไม่ได้ตอบคำถามของเชษ ฐ, ฐามาเรียกับดารินซุบซิบอะไรกันเบาๆที่สุดไฟฉายพร้อมอยู่ในมือคนละกระบอกช้ยันก็กระซิบมาว่าฟังคล้ายๆเสียงพวกหอยทากประเภทหนึ่ง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 สงสัยแต่ว่ามันจะทำให้พวกเราเดือดร้อนน่ะทันใดนั้นระพินไพรวันผู้นิ่งเงียบโดยไม่เอ่ยคําใดเลยทั้งสิน้นก็ส่องไฟฉายพุ่งปราดออกไปและโดยการนำชนิดนั้นไฟฉายจากคนอื่นๆก็ระดมสาจ้ากราดไปยังแนวป่ารอบทิศเพื่อค้นหาที่มาของเสียงลึกลับเหล่านั้นไม่มีอะไรปรากฏให้หินในการส่องค้นหา นอกจากต้นไม้ใบพลึกที่ยืนนิ่งอยู่ในอาการสงบสิ่งที่รองระ ง, งมเยือกเย็นเหล่านั้นเงียบกริบเป็นปริทิ้งไปในทันทีที่แสงไฟไหลกระบอกพุ่งลำออกไปแล้วแต่แล้วก็ไปกวักก้าวห่างออกไปในดงลึกฝากซ้ายมือแล้วค่อยๆห่างออกไปเป็นลำดับจนกระทั่งได้ยินมาเพียงแค่วแววๆในปลายหุบด้านที่พบคราบงูยักษ์อะไรของมันวะ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 ประสบการณ์ในชีวิตมาของผมมีอะไรแปลกๆเข้ามาทำเสียงก็ได้ยินใกล้ๆ ก, กับแคมป์พักนอนแต่มันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นไม่มีแม้แต่ร่องรอยให้ค้นพบด้วยว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมันคืออะไรอย่าไปสนใจมาเลยครับน้องก็ต่อไปดีกว่า <"M> เมื่อเขาไม่แสดงท่าว่าห่วงกังวลหรือสนใจอะไรนะักขณะนายจ้างก็พลอยหมดกังวลเช่นกัน แต่ก็ไม่วายที่จะชะ ง, งนชะงายคลางแคลงระพินสั่งให้ก่อไฟลุกโชนขึ้นอีกและคราวนี้ขยายให้กองไฟโตขึ้นกว่าเดิมทั้งสด้านโดยไม่ยอมให้มันมอดดับไปง่ายๆต่างนอนเงี่ยหูคอยจับฟังเสียงกันอยู่อีกครู่ใหญ่จึงหลับไปทีละคนสองคนเมื่อไม่มีอะไรกระตุกกระตากมากไปกว่านั้นคงมีแต่จอมพลเท่านั้น ที่ยังคงนอนลืมตา โ, โลกต่อมาเขารู้สึกว่าใครคนหนึ่งในคณะลุกขึ้นชำเลืองไปเห็นร่างสูงใหญ่ของแงซรายเดินย่องไปหยุด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 ผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันการเดาในสิ่งที่เราไม่รู้มันจะเกิดประโยชน์อะไรล่ะมีอะไรบ้างในป่าที่คนอย่างแกบุญคาส่างปาหรือชัดจะไม่รู้ต้องมีสิผู้กองอย่างน้อยที่สุดก็บรรดาสิ่งที่ชีวิตบุกบันอยู่ในป่าและเรายังไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อนไงผมผู้กองบุญคาและสางปลา ยังไม่ได้เปิดป่าออกไปได้หมดทุกป่าหรือผู้กองคิดว่าปลูกโปร่งหมดแล้วละ่ะคำพูดแผ่วเบาแต่ชัดเจนของแง่ทรายทำให้พรานใหญ่อึง้งไปในที่สุดก็ยิ้มเสียออกมามันจะเป็นอะไรก็ตามจากความรู้สึกของฉันไม่เห็นว่ามันจะเป็นอันตรายกับเรามากมายนักเลยและฉันก็ไม่กังวลสักนิดแต่แง่ทราย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 แต่การเดินทางโดยมีผู้กองเป็นผู้นำในครั้งนี้ผมอบอุ่นเชื่อมั่นอย่างที่สุดอย่าลอกให้ตายใจโดยการถ่อมตัวเองและยกย่องฉันเลยผมพูดจากใจจริงครับแววตาบนใบหน้าดูสุขใสอ่อนโยนอย่างประหลาดเมื่อเอ่ยประโยคนั้นออกมาและพิงจ้องประสานอย่างค้นหาแต่ก็ไม่พบร่องรอยพิรุษใดๆ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 นั่งสูงใหญ่ได้ส่วนสัตว์หย่อนกายลงไปนั่งบนขอนไม้หน้ากองไฟยกมือทั้งสองขึ้นลูปเสยเส้นผมอันหยิกหยักศกยาวปกท้ายทอยริมฝีปากปรากฏรอยยิ้มบางๆทำให้แหล่อ่อนซึง้งเหมือนใบหน้าผู้หญิงตาหม่อลอยปราศจากจุดหมายพูดเหมือนรำพึงคืนนี้ผมนอนไม่หลับก้ะห่วงกังวลมากนักเลยกะเจ้าสิงประหลาดอะไรชนิดหนึง่ง ที่มันป้วนปีนเข้ามาใกล้ปางพักของเราโดยไม่สุตาเขานอกจากเหมือลอยในอาการเดิมเงยสายสายหน้าแช่มช้าหาไม่ได้ครับผมรู้ว่าจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเราในคืนนี้หรอกเพราะฉะนั้นแกก็ควรจะนอนซะเหมือนเหมือนกับพวกเราทุกคนดิโ่ยจะห่วงครับผู้กออีกไม่นานก็จะสว่างแล้วผมจะนั่งอยู่ยามคอยเติมกองไฟให้ รำใจแกรับพินพูดหวนหวดหันหลังกลับออกเดินแต่แล้วก็ชะงักเหมือนจะคิดอะไรอยู่ครู่หนึ่งยึ่งหันกลับมาช้าๆยิ้มออกมานิดหนึ่งเป็นเวลานานแล้วนะที่ฉันไม่ได้ยินเสียงเพลงจากแกเลยเจ้าการเวกเสียงหวานตาคู่นั้นมีแววชะงนเลิกคิ้วน้อยๆพลางยิ้มตอบผมทำความรำคาญใจให้ผู้กองน้อยไปเช่นนั้นเหรอครับ อาจเป็นได้แต่บางขณะความรำคาญใจโรคหูชนิดนั้นมันก็ช่วยชั้นเป็นสุขขึ้นได้เหมือนกันร้องเพลงของแกขึ้นสักเพลงสิแง่ทรายทำให้คืนอันหนักข้นนี้มีชีวิตชีวาขึ้นบ้างแง่ทรายถอนใจลึกตาเป็นประกายแวววาวล้อแสงไฟในกองรพินถอยกลับไปล้มตัวนอนลงยังที่เขาหลับตาลงและมิชามินานท่ามกลางความเงียบสงบ สำเนียงทุ้มกลางวานจากเพลงบทหนึ่งก็ลอยมากระทบสดถ้าถอดข้อความออกมามันก็น่าจะได้ความหมายอัทรสทำนองนี้เกิดมาเยี่ยงกษัตริย์ขัตติยราชแต่อนิจจาอนาตนัก ต้องพัดพรากทิ้นฐานแหล่งกำเนิดสมสารพนเจนจรไปทั่วเขตแคว้นแดนกันดานทุกหุบเหวห้วยละหานลำเนาไพรเข้าบุกบันไปปิ่มเลือดตากระเด็นมีดวงดารากรแทนประทีบสองฝากอนาคตไว้กับหมู่เมขที่เลื่อนลอยสุริยประธานพลังฤทธิ์ให้แก่ข้า ยันทราเปรียบเสมือนเพื่อนใจหากสวรรค์ส่งข้ามาเกิดจริงแล้วไซข้าคงได้กลับคืนไปสู่เจ้าได้สมจิมรอข้าก่อนอาณาจักรสีทองอันผ่องใสรอข้าก่อนประชากรทั้งหลายและรอข้าก่อนศัตรูหมู่อมิตรข้ากำลังจะกลับไปกลับ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 กวางที่นายใหญ่ยิงไว้เมื่อคืนตูวเบิรมทีเดียวเกือบเท่าควายนะแต่มันเหลืออยู่แต่หัวกับเขาเท่านั้นแหละคณะผจญภัยชาวพระนครถลนพรวดพลาดขึ้นยืนและฮือกันก็นกนมาล้อมส่งเสียงถามแซดในขณะที่ระพินนั่งย่นหน้าผากจากคำบอกเล่าอันแข็งกระรายงานเป็นรถไฟด่วนของทั้งสามคนพอจะสรุปได้ความว่าทั้งเสยสางปาแลวก็ขยินตื่นขึ้นแต่มืด ออกชวนกันสำรวจติดตามรอยกวางตัวที่เข้ามากินโป่งและเชิดฐายิงสาหัสไปเมื่อคืนร่องรอยของมันวิ่งซอกซอนบุกรกลงไปทางก้นหุบด้านเดียวกันกับที่พบคราบของงูยักษ์แล้วไปล้มพบและไปล้มลงพบอวสารที่ปลวกลูกหนึ่งใต้พงเถาวันระยะห่างจากตำแหน่งที่ถูกยิงเพียงแค่สี่เส้นเ็จเศษเท่านั้น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 มันล่ะไอเสียงก่อยที่พวกเราได้ยินเมื่อคืนนั่ะล่ละใช่ยันคลางออกมาดารินกับมาเรียหันไปสอบซักพวกที่ไปพบเห็นซากกวางตัวนั้นเพื่อเอารายละเอียดอีกครั้งทั้งคณะพูดกันแซดมีรพินกับแง่สายเพียงสองคนเท่านั้นที่ไม่ได้เอ่ยคำใดออกมาทั้งสิน้นนอกจากมองสบตากันเงียบๆกัย ใ, ใจนั้นเองยอมพรานก็คว้าไรเฟิลสปริงตัวขึ้นยืน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 พินตรงเข้าไปสำรวจดูตำแหน่งแรกที่กวางตัวนั้นถูกเชษฐถาหยิงลมซึ่งมันอยู่ห่างจากที่พักนอนออกไปเพียงไม่เกินห้าสิบเกและความจริงเขาเองก็อีกสอ ง, ส, องสามคนก็ได้เข้ามาตรวจดูไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนขณะที่เชษฐถายิงไว้หยกๆยกสิ่งที่ก่อความประหลาดใจให้อย่างยิ่งก็คือเลือดกองใหญ่ที่เห็นเรียร่าอยู่กับพื้นขณะที่เข้ามาดูเมื่อคืนนั้นบัดนี้หายไปซะแล้ว เหลือแต่เพียงคราบบางๆที่ติดอยู่กับผิวดินคล้ายๆจะมีอะไรมาสูบดูดเอาไปหมดไม่มีร่องรอยของสัตว์อื่นใดเข้ามาปะปนพอให้สังเกตเห็นได้ชัดนอกจากรอยของกวางตัวนั้นอย่างเดียวขณะที่เข้ามากินป่งนั้นมันเดินลงจากชายเนินของดงใหญ่ด้านขวามือแต่เมื่อถูกยิงแล้วตะลดืดหนีลงไปยังหุบต่ำด้านตรงข้ามทิศทางไปแลเห็นได้ถนัดชัดเจน พรากระเซน็นเลือดที่แตะแต้มไปตามใบไม้ที่มันแล่นผ่านสแสดงว่าเลือดไหลออกมาจากบาดแผลฉะกันเชษฐาก็มีความสังเกตที่ถี่ถ่วนว่องไวพอใช้เขาสุดตัวลงนั่งพิจารณาตรงรอยเลือดที่หยดกองไว้มากมายเมื่อคืนเพราะจําได้แล้วเหนยหน้าขึ้นจ้องพรานใหญ่งง ง, งมันจะถามว่าเลือดเหล่านั้นนมันหายไปไหนหมดกระพินไม่เอ่ยคําใดกับเขาเดินตรวจรอยไว้อีกทางหนึ่ง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 ไอ้มันหมายความว่าไงชายร้องออกมาเบาๆขำหมดคิว้วเชิดายักไหล่ก็หมายความว่ามีอะไรสักอย่างมาดูดดื้อเลียไปหมดนะสิไอ้เจ้าอย่างที่ว่านั่นก็คือเจ้าของเสียงร้องก้อยก้อยที่เราได้ยินน่นแหละดารินอุทานออกมาคำหนึ่งอย่างสยดสยองห่อไหลลงถ้ามันเข้ามาที่นี่และดูดกินเลือดกวางที่กองอยู่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 ไอ้สือนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ายังไม่แน่ใจอะไรหมอก็ไม่ยอมปรีปากออกมาหรอกดารินเงยหน้าขึ้นมองหาองครักษ์ซึ่งมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประจำตัวหล่อนมาแต่ไหนแต่ไรก็เห็นยืนนิ่งสีหน้ายากจะอ่านความรู้สึกอยู่เบื้องหลังแง่ท า, ายเธอน้าจะรู้ดีกว่าทุกคนนะบอกไม่ได้เลยว่านี่มันคืออะไรเจ้าคนใช้ชาวดงเปิดปากยิ้มเห็นไรฟัน ก็ถามนายใหญ่ดูดีกว่านายหญิงก่อนที่ใครจะกล่าเช่นไรออกไปนั้นก็ต้องลุกขึ้นยืนเพราะเสียงระพินดีดนิ้วเรียกและโบกมือเป็นสัญญาณให้ตามเขาไป พ้นทางที่กวางเคราะรารตัวนั้นแล่นสุมซานไปแกะรอยได้อย่างสะดวกได้ยิ่งแม้ป่าเบื้องบนจะรกทึบเป็นภูมนาแทบจะมองไม่เห็นทองฟ้าแต่ในระดับขนาดสีสษะทุกคนก็สามารถจะเดินไปได้อย่างสบายปราศจากกิ่งก้านหรือเถาวันขึ้นเป็นอุปสรรคเกดกะเพระธรรมชาติของกวางซึ่งมีเขาเป็นกิ่งอยู่แล้วนั้นจะไม่เลือกบุกเข้าไปในพงรกรุงรงัง ที่จะทำให้ติดเขาของมันจ้ะขยินและสางปลาผู้ออกตามรอยนั้นไปก่อนแล้วนำลิว้วรุดไปเบื้องหน้ายัางรวดเร็วเพราะรู้ทางอยู่แล้วพระพินทอดระยะห่างอยู่เบื้องหลังเคียงคู่กบุญคำซึ่งเป็นคนคู่ใจทั้งสองสารวจตรวจตราไปตามทางอย่างถี่ถ้วนระมัดระวงังเหมือนจะค้นหาร่องรอยแทรกแซงอย่างอื่นให้ได้แต่ก็ไม่พบอะไร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 สีสาที่ประกอบไปด้วยกิ่งเขางามกว้างใหญ่ของกวางตัวผู้ตัวหนึ่งทิง้งกลิ้งอยู่ที่นั่นเราก็จะถูกใครตัดคอไว้ตัดทิ้งไว้แค่คอส่วนลำตัวทั้งหมดน่าหายไปมีแต่รอยเลือดที่เรียรายบางๆอยู่ตามใบร่วกทั่วไปแมลงวันกับพึงตอมหึงกระจุกขนบางส่วนติดอยู่กับโคนกอร่วกด้านรอบด้านและห่างออกไปอีก รัืสมี20สเมตรเศษกระดูกระจัดกระจายกลาดเกลือนขาวโพลนแม้แต่เนื้อบางส่วนตรงบริเวณหัวก็ยังมีรอยถูกแทะจนเห็นกระดูกในตาก็ถูกควักโบปลายจมูกและลิ้นก็ไม่มีเหลือมีแต่หนังติดหน้าผากอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นภาพที่ถูกรุนกินอย่างสยดสยองพองขนสะกดให้ทุกคนตัวชาไปชั่วขณะมารียกมือขึ้นทำอามน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 เจ้าของเสียงนั้นคือดารินวราฤทธิ์จอมพรานยิ้มแค่นตอบในขณะที่ตายังทำหน้าที่สอดสายไปรอบๆสำหรับเดี๋ยวนี้บอกได้เพียงว่ามันเป็นสัตว์ฝูงประเภทตัวเบาฟันคมกริบราวกะมิดโกนแล้วก็อย่างที่คุณหญิงว่าล่ะครับมันเป็นพวกอดโซหิวโหวยตะกราตะการามที่สุดที่ผมชี้ให้ดูร่องรอยการล้มของกวาง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 ฉันจะต้องลงความเห็นว่ามันเป็นฝูงปลาปิรันย่าอย่างแน่อย่างแน่นอนแต่เท่าที่เห็นก็มีอยู่เฉพาะลุ่มน้ำอเมซอนเท่านั้นนะมาเรียสำลักออกมาความสยองใจฉ า, ายชัดอยู่ในดวงตาสีเขียวที่จ้องภาพหัวกวางอย่างไม่กระพริบลองใครควรดูให้ดีสิพวกหมาในหรือเปล่าเชฐาเอ่ยขึ้นอย่างพยายามให้ความคิดบุญคาก็หัวเราะเสียงพิกลอยู่ในลาคอ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 จะพึ่งความเห็นจากพรานใหญ่ก็วางท่าอยู่นั่นแหละมีชักเยอะแล้วนะบุญคําอึกอักอยู่ในลําคอขณะนั้นพรานใหญ่ก็หัวเราะทําบรรยากาศอันตึงเครียดของคุกคงให้เป็นขบขันจ้ะอย่าเพิ่งเ ย, ยงงอะครับคุณหญิงเรากาลังอัตประคตน้ํากันอยู่นะครับยิ่งเยอะมากก็ต้องดื่มน้ํามากเขาลูกนี่นะหาน้ํำยากสิด้วยนาะผมยังเป็นทุกอยู่เลยเดี๋ยวผม พอจะมองเห็นน้ำบ้างแล้วล่ะสำหรับเช้าวันนี้ทีไหนกันเห็นมีสักหยดดารินพูดมาสะบัดสบัดตื่นขึ้นมาเช้านี้เันอยากจะเอาน้ำที่มีสำรองอยู่บ้านเล็กน้อยล้างหน้าก็ยังไม่กล้าเพราะจะต้องสงวนไว้สำหรับหุงข้าวและดื่มยิ่งได้ยินแง่า ย, ายพูดไว้เมื่อคืนว่าแหล่งน้ำบนเขาลูกนี้หาได้ยากมากก็ยิ่งทาให้วิตกกรงเกรงเพราะตามปกติในขณะเดินทาง หล่อนดื่มน้ำมากกว่าคนอื่นๆอยู่แล้วพรานใหญ่ควักบุรีออกมาจุดสูบลักษณะของเขาใจเย็นเป็นปกติพราะทำให้คณะนายจ้างผ่อนความตึงเครียดลงแม้จ ะ, ะเผชิญอยู่กับปัญหาที่ทำให้ต้องคิดอย่างไม่ปลอดโปร่งใจนักนี่ถ้ายังมัวยืนปรงสากเจ้ากวางเคราะรารอยู่ตรงนี้ล่ะก็ผมม่เห็นจะไม่ได้น้ำหรอกนะครับแต่ถ้าออกเดินหาคงจะได้ละ่ะ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 ในขณะที่มาเรียส่งยิ้มตอบไปยังรพินหลอนชื่นชมพอใจกับคำนิยมของเขาอย่างเปิดเผยเฉฐากตชัยยันก็มองไปทางพัญยาไม้สาวสวยของนักสำรวจด้วยสายตาเลื่อมใสและรพินก็หันไปสั่งพวกพรานพื้นเมืองที่ตามมาด้วยให้แยกกันออกสำรวจหาแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงคงเหลือแต่เขากับคณะนายจ้างนั่งพักรอกันอยู่ตรงซากของกวางตัวนั้น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 พูดเสียงแหบๆกับสหายผู้นั่งเคียงอยู่ใกล้ๆว่ะเสียดายหรือเกิดความจริงกวางตัวนี้มันควรจะเป็นอาหารเช้าแต่เป็นเสบียงชั้นดีต่อไปได้อีกหลายมื้อเชอะใต้ผีหาอะไรก็ไม่รู้สิลงกินซะหมดยังห่วงกวางตัวนั้นอยู่อีกเลยใช้ยันมันถึงกวางเป็นดีแล้วดีกว่าที่มันจะยกขยโงมาทึงพวกเรารูปการมันบอกชัดนะ ถ้าจะไม่เหมาะซะแล้วนะเชิดาตอบอย่างกังวลใจนี่ไม่มีความเห็นอะไรบ้างเหรอผูก้กองอดีตนายทหารฝรนใหญ่หันไปถามอ่อยเอาเท้าถีบปัวกวางพลิกไปมาผมคิดว่าไม่มีอะไรที่เราจะต้องกังวลหรอกครับสังเกตดูลักษณะที่มันลงกินซ่ากวางนี่ก็พอจะประมาณได้ว่ามันไม่น่าจะมีอันตรายอะไรสําหรับพวกเรานัก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 ทำให้คณะนายจ้างทุกคนจ้องหน้ามาเป็นตาเดียวได้ยินมาก่อนหมายความว่าไงเฉิดถาและชายันร้องถามมาเป็นเสียงเดียวกันก็ผีกองกอยยังไงล่ะครับทุกคนอ้าปากทางประลึงพลึงเพลิดไปชั่วขณะผีกองกอยเพราชื่อมันฟังพินลึกพิลั่นฟังดูเป็นนิยายอย่างงี้ล่ะครับ ผมถึงไม่อยากจะให้บุญคำซึ่งมักจะถนัดในเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วเปิดปากพล่อยๆบอกอะไรกับคณะของพวกเราไปจนกระทั่งทำให้คุณหญิงโมโหความจริงบุญคำนะแอบมากกับซิบบอกผมก่อนแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแกบอกด้วยว่าถ้ามันดูดกินหมดแม้กระทั่งเลือดแล้วก็มันเป็นผีกองกอยแนะ่ผมถามว่าแกเคยพบมาก่อนเนะแกก็บอกว่าพ่อแกสอนไว้สอบไปถึงพ่อแก ว่าพ่อเคยเห็นเนอะกระอ้อมก็อ้อมแอมโยนไปถึงปูมันก็เป็นเรื่องเล่าสืบทอดต่อๆกันมาผีขโมดนะเราระจนกับมันมาแล้วคราวนี้คงได้เผชิญกับเจ้าผีกองกอยดูบ้างผมไม่ได้แปลชื่อภูกเขาลูกนี้ให้พวกคุณทราบเองเพราะมันฟังแล้วไม่เป็นมงคลหูนักจะทำให้เราแรมคืนกันบนนี้ไม่มีความสุขใชเปล่าเป่ะแต่ไหนๆก็บอกเรื่องนี้แล้วก็เลยขอบอกซะเลย มังมหานรธาเรียกเขาลูกนี้ตรงตัวเลยล่ะครับว่าเขากองก่อยแงซายเองสมัยที่ผ่านมาคราวก่อนก็เจอเข้าก่อนแล้วเวลานอนต้องนอนบนต้นไม้ครับสิงช ย, ยันอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งยาวเหยียดสีหน้าของอดีตนายทหารปืนใหญ่ปั้นยากที่สุดเขารู้สึกว่าอากาศของดงแถบนั้นเยือกเย็นเข้าจับขั้วหัวใจดารินซึ่งนั่งปั้นปึงเชิดหน้าห่างออกไปทางหนึ่ง เล่นทลาเข้ามารวมกลุ่มอย่างขวัญหายส่วนมาเรียภายหลังเมื่อเชิดาส่งภาษาบอกความแมมสาวก็ยังคงทำหน้างงไม่รู้เรื่องอยู่เช่นนั้นเพราะไม่เคยภาษากับชื่อที่คมขวัญในแบบนี้มาก่อนหล่อนพยายามอ่านสีหน้าและอาการของแต่ละคนแล้วคอยสกิดถามอยู่เป็นระยะให้ช่วยถ่ายทอดอธิบายไม่มีปัญหานามชนิดนั้นเชิา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 ก็ห็นจะจริงขึ้นมาใชแล้วละมัง้งโดยสิ่งที่เราพบเห็นร่องรอยหลักฐานอยู่เนี่ยเชิดท้าหัวเราะฝืนๆอยู่ในลําคอแต่ฤทิเดตมันจะร้ายกาดเหมือนเช่นที่นิยายเล่าไว้หรือไม่นะเราจะได้เห็นกันอย่างที่รพินว่านั่นแหละแต่าหากมันพยายามจะเข้ามายุ่งกับเราฉันรู้จักคำว่าผีกองก่อยเพราะในพจนานุกรมเท่านั้นน่ะลักษณะของมันเป็นยังไง ในทัศนคําบอกเล่าของพวกชาวป่านักมานุษยวิทยาสาวถามมาด้วยเสียงที่บังคับให้เป็นปกติอันนี้ก็เห็นจะต้องถามบุญคําใช่แล้วละครจะสาทยายให้ฟังได้พิลิกกึ๊กื อ, อ, อทีเดียวสําหรับผมนะ่ะเท่าที่เคยได้ยินมาก็พอจะเดาได้ว่ามันร้องเสียงก้อยก้อยดังเยือกเย็นเหมือนที่เราได้ยินเมื่อคืนน่ะมันแอบเข้ามาดูดเลือดคนเดินป่าที่นอนอยู่กับพื้นดินจนตาย ส่วนที่ว่าคนจะโง่นอนให้มันดูดเลือดหรือว่าขี้เศรายังไงจนถึงก็ปล่อยให้มันเข้ามาทําอันตรายถึงตัวได้โดยไม่มีการรู้สึกนั้นผมก็คาดคะนั่งซักความไม่ได้ละเอียดจากคนเล่าหรอกทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าและโดยการบอกเล่าของชาวป่านั้นเราได้แต่ฟังเฉยๆครับจะซักไซาหาเหตุหาผลเพื่อทนะํา Q วอดีนั้นไม่ได้หรอกครับสางปาก็บอกกับฉันเหมือนกันนะว่ามันเป็นผีประเภทหนึ่ง มาเรียเอ่ยขึ้นอย่างปราศจากความสะดุ้งสะเทือนใดๆทั้งสิ้นตรงข้ามกับหัวเราะกบขันแต่จากหลักฐานที่เห็นอยู่นี่ฉันเห็นด้วยกับพรานใหญ่นะว่ามันเป็นสัตว์กินเนื้อจับกลุ่มเป็นฝูงๆแล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะไล่จับเหยื่อเองได้นอกจากจะไปพบซากอะไรที่ตายเขา้าก็รุมกินแบบแรงไม่งั้นเมื่อคืนนี้มันก็น่าจะโจมตีพวกเราแล้วสิ ยังประมาทหรือประมาณการในขั้นต่ำอย่างใดไม่ได้ทั้งนั้นนะเมหัวหน้าคณะกล่าวอย่างรอบคอบประมัดระวังเหลือบตาไปยังหัวกวางที่กริ่งอยู่ด้วยความระแวงเมื่อคืนนี้นะพวกเราตื่นและเตรียมพร้อมกันหมดทุกคนประจวบ ก, กับที่มันพบซากกวางนั่นสะกร่อนสมมุติว่าทําเมื่อคืนไม่มีซากกวางแทนและมาพันมันพากันย่องเข้ามาโดยไม่ส่งเสียงขึ้นเลยล่ะ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 ไม่กี่นาทีนั่นเองขณะที่ยังนั่งสุบุรีปรึกษาหารือกันอยู่แงซ า, ายและพวกพรานพื้นเมืองที่ระพินใช้ให้แยกกันออกไปหาแหล่งน้ำก็พักกันเดินรวมกลุ่มพลูออกมาบนหลังของส่่งปลาและขยินสะพายกระบอกไม้ไผ่สดที่เพิ่งตัดมาใหม่ขนาดใหญ่มีนาม้าบรรจุเต็มมาคนละกระบอกพวกนั้นรายงานให้ทราบว่าลึกกว่าระดับ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 ส่ยังก็โอนเป็นเงั้แหละไหวเลยเนี่ยทิ้งให้นอนก้นจะใสกว่านี้นะนายทหารนี่ต้องเอาใบไม้ขอดใสมาทีเดียวนาแองมันตื้นก็เลยขุนคลักอย่างนี้แหละบุญคําบอกมายิ้มยิ้มเงยส า, ายบอกไว้ว่าน้ำส่วนมากบนเขาลูกนี้นะ่ะเป็นพิษแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำที่เอามานี่ไม่ทำให้ชักดิ้นมีอันเป็นไปกันทุกคน ดารินร้องถามมาอีกคนนึงช่วยกระบอกน้ำไปก้มลงดมอย่างไม่ไว้ใจไก่ปามันกำลังลงกินอยู่พอดีนายหญิงถ้าสัตว์กินได้คนก็กินได้แงาสายตอบทำให้คณะนายจ้างหมดกังวลไปได้เกี่ยวกับปัญหาที่ว่าน้ำจะสะอาดพอหรือไม่นั้นก็เป็นอันว่าพ้นไปเพราะดารินมียาสำหรับฆ่าเชือ้อและหล่อนก็ใส่ลงไปในน้าที่ช้บริโภคทุกครั้งนับตั้งแต่ออกเดินทางมา ตารได้น้ำมาสองกระบอกใหญ่ๆปริมาณจุกระบอกละร่วมแกนลอนเช่นนี้ก็ต้องนับว่าประเสริฐสุดแล้วทมกลางความธุรกันดาลอัตคัดเช่นนี้ต่างกลับมาอย่างที่พักกินอาหารพอประทังชีวิตแล้วก็ออกเดินทางทันทีละพินวางเข็มฝ่าดงแนวขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งหนทางแม้จะขึ้นขึ้นลงๆนับมอและมากไม่ท่วน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 ทั้งคณะบุกกันไปในป่าเต็งสลับหญ้าคาอีกครั้งแองหน้ามวกเป้าหมายของแงสายอยู่ในระหว่างตีนดอยเล็กๆสองดอยเทลาดลงมาบรรจบกันแล้วความหวังของทุกคนก็เริ่มมีขึ้นเมื่อผ่านต้นมะกอกป่าและต้นเคตซึ่งขึ้นอยู่ประปลายห่างๆกันปรากฏว่ามีรอยของละมั่งและสมันลงกินไว้ใหม่ๆแต่ก็ไม่มากนะัก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 มาเรียก็เดินข้ามาบอกคณะพักพวกทุกคนที่นั่งพักขาดื่มน้ำอยู่ว่าหรืออีกสองชั่วโมงก่อนมืดฉันจะไปหาเนื้อตอนที่ผ่านมานี่เห็นรอยอยู่หลายแหง่เดี๋ยวผมก็จะออกไปเหมือนกันระพินบอกหล่อนยิ้มให้ดูท่าไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรนะักยังคล่องแคล่วปราดเปรียวอยู่เหมือนเดิมอ่ะทางนั้นเราก็แยกกันไปดีเหมือนกันช่วยกันหลายทาง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 คงทิ้งให้สองพี่น้องราชสกุลอยู่เฝ้าที่พัก พ, พร้อมกับพวกพรานที่เหลือซึ่งยุ่งอยู่กับการจับที่หลับที่นอนและหาฝื้นพรานใหญ่กระบุญคําเดินทับไปบนเส้นทางของมาเรียและสั่งปาครู่หนึ่งรอยของหล่อนอ้อมเนินไปยังป่าโปรง่งหลังเนินอันอุดมไปด้วยมะขามป้อมและมะกอกปา่าแต่เขาแยกเข้าป่าทึบอีกด้านเพระบุญคําชวนหาขัาง ยังไม่ทันจะไต่พ้นบริเวณปลวกระพิน์ไพรวันก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะเสียงตะโกนสุดเสียงของใครคนหนึ่งจากเบื้องหลังไม่ไกลนักเพราะได้ยินอย่างถนัดระวังนายแมมลบก่อนเพรามกระเสียงนั้นยังไม่ทันจะสิ้นกระสุนนัดหนึ่งก็แผดระเบิดขึ้นกึกก้องมันเป็นเสียงลูกซองติดตามมาด้วยเสียงฝีเท้าที่โคบตะลุยจนแผ่นดินสะเทือนเสียงต้นไม้ย่อมย่อมถูกกาลังรุนแรงมาหาศาล ปะทะขาดสบัน้นเราก็จะถูกบรรดาลขึ้นในยลมเพชรเหึงสัพพสำเนียงแห่งความโกลาหนและตลบไปด้วยกลิ่นไอมฤตยูมันเหมือนจะเกิดขึ้นใกล้ๆนี่เองและมันก็ได้ยินไปทั่วหมดทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายของเชษฐาผู้นั่งพักอยู่ที่แคมป์หรือฝ่ายของชายันที่เพิ่งแยกไปอีกทางหนึ่งเพราะอยู่ในรัศมีใกล้เคียงแล้วเลือดในกายของทุกคนก็แทบจะจับเป็นก้อนแข็ง เมื่อได้ยินเสียงแหลมกล้องของมาเรียฮอฟมัน